มีครอบครัวหนึ่งนะเที่ยวทะเลนะขับเรือไปกลางทะเลเลยแล้วว่าจู่ๆเนี่ยก็มองเห็นปลาฉลามตัวหนึ่งนะแล้วนะตัวนี้มันแปลกนะมันว่ายเข้าหาเรือมันไม่ได้หนีเรือเลยก็แปลกใจวามันทําไมว่ายเข้าหาเรือแลก็ว่าพอมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ก็เห็น มันคาบอะไรบางอย่างพอเข้ามาใกล้นี้นเพราะว่ามันคาบเ ต, าต่าตัวหนึ่งนะเต่าทะเลไม่เคยเห็นนะปลาฉลามนีคาบเต่าทะเลเพราะว่าเต่านี่ไม่ใช่อาหารของมันอยู่แล้วแล้วพอมันเข้ามาใกลยย้เรือเนี่ยประชิดเรือเลยนะมันทํำยังไง ร, รู้ไหมมันเอาเต่าเนี่ยมาปล่อยตรงบันไดนะของเรือแล้วมันก็ไหว่นะ กลับออกไปกลับสู่ทะเลแล้วคนอื่นเราก็มาดูว่าทำไมถึงเอาเต่าเนี่ยมาปล่อยไว้ตรงบันไดบอกว่าคอเต่าเนี่ยมันมีเชือกมัดอย่างแน่นเลยเข้าใจว่าเป็นเป็นเชือกนที่มาจากแหหรืออวนอวนเนี่ยพวกมีการดักจับปลานะแล้วก็ เต่าเนี่ยมันก็โดนเชือกเนี่ยที่เป็นเศษของอวนเนี่ยมัดเอาไว้รัดคอไว้จริงเต่าที่เจอแบบนี้มีเยอะนะส่วนใหญ่ก็ตายนะตายกลางทะเลเพราะหายใจไม่ออกแต่ว่ายังไงไม่รุ่นะเพราะว่าไอ้เชือกหรือแหาอวานเนี่ยมันขาด แล้วชามก็คงเห็นนะนะว่าเต่าตัวนี้กำลังจะตายมันก็เลยนะช่วยเต่าตัวนี้แล้วมันก็รู้นะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะสามารถจะช่วยเต่าตัวนี้ได้ก็ไม่รู้ว่าฉลามนี่เป็นเพื่อนกับเต่าตัวนี้หรือเปล่านะหรือว่าเพิ่งเจอแต่การที่มันเนาเต่ขาขับเต่าตัวนี้มา มาให้คนช่วยเนี่เป็นเรื่องแปลกมากธรรมชาติของฉลามนี่มันก็กลัวคนอยู่แล้วก็เหมือนกับสัตว์ป่าทั้งหลายนะสัตว์นาำนี่มันกลัวคนไม่ค่อยอยากเข้าใกล้นะแต่ฉลามตัวนี้มันหรือว่ากล้ามากนะยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อนนะซึ่งเป็นสัตว์ต่างพันเป็นเพื่อนเพื่อนจริงก่อนะคือไม่รู้ว่าคบกันมานานหรือเปล่านะ แต่ก็ยอมเสี่ยงนะเพื่อที่จะให้เพื่องตัวนี้มันรอดชีวิตถ้าคนในเรือนี่ก็ทำยังไงนะก็เอาเต่าขึ้นมาจากบันไดแล้วก็พยายามตัดเชือกที่มันรัดคอเต่าโอ้รัดแน่นมากนะคิดว่าเต่าคงดินนอดินดิ่งยิ่งดินก็ยิ่งรัดก็ใช้เวลานานกว่าจะเอาเชือกจีรัดเนี่ย ออกจากคอเต่าได้ก็มีบาดแผลนะคนก็เอายาเนะี่ยยาทาแผลนี่มาทารอบคอเตานะ่าที่ถูกเชือกรัดนะแล้วก็พอคิดว่าเต่านี่พอจะปลอดภัยแล้วก็เอาเต่านี่ที่ลงทะเลไปปล่อยเต่าลงทะเลไป มันเป็นภาพที่ประทับใจมันเพราะมีคนถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ฉลามนี่มันพุ่งเข้ามามันตรงเข้ามาที่เรือเนี่ยตอนที่ไม่รู้ว่ามันตรงเข้ามาทําไมนะจนกระทั่ ง, ทงรู้ว่าเจตนา ม, มันคือต้องการช่วยเต่าแล้วม่มีเรื่องทานองนี้แบบนี้เยอะนะสัตว์ต่างพันธุ์นี้ช่วยเหลือกัน บางีก็มีความห่วงใยกันอย่างเคยมีคลิปนะหมาถูกชนกลางถนนเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะมันก็รักหมาตัวนี้มากนะเป็นหมาด้วยกันนะมันก็มานั่งเฝ้าอยู่กลางถนน น, นี่แหละซึ่งอาจจะเป็นวิธีการเพื่อปกป้องเพื่อนไม่ให้รถชนหรือรถทับกันนะเพราะว่าเวลาคนเห็นหมานี่บาีก็ไม่เห็นไม่เวลาคน พเรองที่ไม่เห็นหมานนะกลางถนนนะแต่ว่าถ้ามีหมาอตัวหนึ่งยืนนะนั่งอยู่เนี่ยมันก็เห็นชัดให้หมาตัวนี้นี่แล้วว่ามันรักเพื่อนแล้วก็มันก็กล้ามาแล้วมันไม่ใช่หมาที่รักหมาด้วยกันนะบางทีหมาก็รักแมวนะมีแมวตัวหนึ่งโดนไม่รู้โดนรถชนหรือว่านะนอนอยู่กลางถนน บางเออมันลถก็ไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะมันเป็นคล้ายๆซอยอแมวนี่ก็หมดสภาพไปแล้วหมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหมาจรจัดหรือหมาข้างถน น, นเนี่ยก็มาคอยป้วนเปลี่ยนนะมันนั่งเป็นเพื่อนแต่ช่วงหนึ่งนะมีหมาตัวนี้นะ่มันคงไปไปหากินนะนะก็เลยทิ้งแมวไว้ตัวเดียวลาพังยอยู่กลางถนน มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถผ่านมาเห็นสงสารแมวนะหยุดรถแล้วก็ลงไปช่วยแมวตัวนี้จับมันขึ้นมาอย่างน้อยก็มาวางไว้ริมถนนแล้วะเขาให้หมาตัวนี้พอเห็นนะเห็นแมวนี่อยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้มันไม่พอใจนะมัน ตรงเข้ามาเห่าเลยนะเห่าเหมือนกับว่าบอกให้ผู้หญิงเนี่ยปล่อยแมวตัวเนี้มันคงเข้าใจว่าผู้หญิงนี้คงจะทำร้ายแมวมันก็เลยไปช่วยปกป้องแมวนะด้วยการตามเห่าขนาดผู้หญิงนี่วางแมวลงนะนะ มันก็นยังไม่เลิกนะไม่เลิกรังควานนะไม่เลิกตามเห่าผู้หญิงค น, นี้ตกใจมากเลยพ่อหมามันเอาจริงมากพ่อหมาไปเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะจะทําไม่ดีนะกับแมวของตัวนะซึ่งคงเป็นเพื่อนนะแล้วม่มีคลิปนึ่งนะเด็กผู้หญิงนะนักเรียนเนี่ย กำลังเดินกลับบ้านนะพอมาถึงซอยเปลวเปลเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยแล่นตามมาแล้วก็หยุดข้างหน้าผู้หญิงคนนี้สักหน่อยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยท่าทางก็ดูมีพิรุษลงมาจากรถผู้หญิงเห็นนี่ตกใจนะเพราะสงสัยว่าชายคนนี้คงจะมาลักพาตัวมามาจับขึ้นรถ ก็ร้องนะบอกว่ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยนะหมาข้างถนนเนี่ยพอมันได้ยินนะมันออกมาจากซอยเลยนะซอยอีกซอยหนึ่งมันมาทำไมนะ ม, นมาเห่าไล่ผู้ชายคนนั้นเน่ยมันก็ปกป้องผู้หญิงเด็กนักเรียนหมานี่มันก็ไม่มีอะไรนะนก็มีแต่ กำลังน้อยน้อยแล้วก็เสียงเห่าแล้วความมุ่งมั่นนะที่จะปกป้องผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยอมแพ้เลยนะรีบกลับขึ้นรถนะแล้วก็หนีไปเลยก็สงสัยว่าหมาตัวนี้เนี่ยนะมันคงคุ้นเคยกับเด็กคนนี้เด็กคนนี้คงจะผ่านเส้นทางนี้ประจาแล้วคงจะให้อะไรให้ขนมกับหมาตัวนี้ ตรงนั้นถ้ามันคุ้นเคยแล้วมันก็รู้นะเสียงของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเวลาร้องมาเนี่ยมันแสดงว่าเกิดภัยขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวผู้ชายคนนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายคนนั้นมีมีดมีค้อนนะจริงๆคงมีปืนด้วยแหละนะแต่ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเอามีดเอาค้อนตีหมาเนี่ยหรือแทงหมานี่คงแย่เหมือนกันนะเพรานี่มันน่าทึ่งมากนะหมาเนี่ยมีความ ที่จริงไม่ใช่หมามันสัตว์อื่นๆด้วยนะมันมีความพักดีมีความรักมีความซื่อสัตย์เวลาเราเห็นเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยมัน เ, ออเห็นแล้วมันทำให้เรารู้จักสัตว์ชนิดเหล่านี้มากขึ้นนะพวกนี้ก็มีหัวใจนะมีความรักมีความเสียสละและถ้าจริงถ้าเรามาสังเกตใจของเราเองก็จะเห็นตัวเราเองเนียนะว่าเวลาเราเจอภาพแบบนี้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกยงไง มันมีความสุขปรับปลื้มดีใจมีความสุขมึ่อเสื่อมันก็สะท้อนเห็นนะว่าคนเรานี่มันก็มีความฝ่ายดีในตัวนะความฝ่ายดีนี่เวลามันมันสามารถที่จะมีพลังขึ้นมาท่วมท้นใจเราเวลาเห็นคนทําดีหรือว่าอย่าว่าแต่คนและสัตว์สัตว์เนี่ยมันทำดีๆทําความดีมีความรักมีความห่วงใยมีความเสศรานี่เราก็พลอยมีความสุขมันสะท้อนเห็นว่าคนเรามีความฝ่ายดีในใจ และถ้าเราได้เห็นอะไรที่มันกระตุ้นความใยดีเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขเราก็พยายามนะขวนขวายนะลองรับรู้สิ่งนี้ดีกว่าไปดูไปมองไปจดจ่อกับเหตุการณ์หรือข่าวที่มันแย่ที่มันไปปลุกด้านลบของเราด้านลบในจังเราออกมาเช่นความโกรธความเกลียดจะดีกว่าถ้าเราไปนะไปดูไปมองไปรับรู้สิ่งดีด คนช่วยเหลือคนด้วยกันหรือว่าสัตว์ช่วยเหลือกันหรือสัตว์นี่มาช่วยเหลือเกื้อกูลคนเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขเป็นการปลุกเนวิธีปลุกความใฝ่ดีหรือกุศลธรรมขึ้นมาในใจของเราแบบง่ายๆซึ่งมันทำให้เรามีกำลังนะในการทำความดีและในการดาเนินชีวิต